ปีใหม่ก็เพิ่งผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เป็นปีเก่าปีใหม่ปีนี้เราจ ะ, ะมาได้มีโอกาสไปต้อนรับปีใหม่ที่ภูหลงก็ได้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆ ห, หลายอย่างก็จะนํามาเล่าให้ญาติโยมฟังภูหลงปีนี้จะมีงานศพด้วยซึ่งหายากที่การศพจะมาตรงกับปีใหม่ที่ภูหลงอาจารย์ไปศาลจะนําทําวัดเองนําสวดมนต์ไหว้พระที่นู่นจะสวดกันเต็มบทไม่มีการตัด แต่ก็สวดกันเร็วเพาสสวดปักเป่าไม่ได้ใช้ไม้และญาตโยมก็มีไม่เยอะยังมีเวลาเหลือสวดบทพิเศษอีกสองสาบทอารามาสวดที่วัดป่าสุกโตเราตัดตลอดอย่างธรว่าเช้าเนี่ยเราไปเราตัดพระนาฏายไปไปอิทัตตถาคโตเลยเราก็จะลืมท่อนบูชาคุณพระ น, า, นาตายถึงจะสวดคล้องก็เหอะแบบถ้ามนมนถ้าไม่ได้สวดนานๆก็ก็ลืมแล้วก็เสื่อมเพราะใบผู้หลงก็ทําให้สามารถสวดได้ธรรมบัเย็นก็เหมือนกัน ทำวัดเย็นอยู่วัดป่าสุกโตแล้วก็ตักตเราไม่สวดเต็มไงแต่อยู่ผู้หลงสวดเต็มทุกวันทำให้เราลืมลืมบทที่เราเคยสวดสมัยก่อนอาตมาอยู่สวนโมกจะสวดเต็มพอบนถ้าไม่สวดนานๆก็ลืมสมัยก่อนอาตมาสวดอภิธรรมได้พอไม่ได้ใช้ก็ลืมอย่างวัดป่าสุกโตเนี่ยปีหนึ่งจะมีศพประมาณสองสามคนเป็นอย่างนี้มาตลอดที่ผู้หลงก็เหมือนกันอภิธรรมใช้เฉพาะเวลาสวดหน้าไฟเวลาเผา ส่วนใหญ่จะสวดมรดิกามนถ้าได้นานๆไม่ได้ใช้ก็ลืมอธมาวิภูหลงเนี่ยเลยกดดันเลยเพราะว่าต้องหัดอภิธรรมให้ได้แบบด่วนที่สุดอะไรที่กดดันเนี่ยก็ต้องรีบร้อนต้องใช้ความเพียรมากเพราะเราว่างก็ต้องซ้อมเพื่อมให้เกิดการแบบฉุลหูไปหัดกระทันหันแบบนั้นที่นุ่นนะจะไปศาลเวลาแสดงธรรมท่านก็พูดปากเปล่าโดยไม่ใช้ไม้ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเนี่ย จะไม่รูเรื่องเท่าไหร่นักต้องตั้งใจฟังฟังแบบธรรมชาติธรรมชาติอันมาก็ได้ง่ายคิดจากการฟังทำขออาจารย์ไปสารหลายเรื่องอย่างว่าปีใหม่อาจารย์ไพศารก็ให้พรท่านให้พรไม่เหมือนคนอื่นนะท่านให้พรแบบขอให้ไร้อนาคตขอให้หมดเนื้อหมดตัวขอให้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิดซึ่งพรสามข้อเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปรับ ก็ว่าก็ว่าพรเหล่าเนี้เป็นอัปมงคลคือทุกคนเนี่ยอยากจะมีอาคตอยากจะสร้างฐานะสร้างเลือสร้างตัวกันแล้วก็อยากเกิดในที่ดีๆถ้าตายไปอะอยากเกิดเป็นลูกคนรวยเกิดมามีหน้าตาหลอ่อหน้าตาสวยมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้คือความใฝ่ฝันของคนทั่วไปแต่พรของอาจารย์เนี่ยเขาไม่ผุดไม่เกิดเนี่ยถือว่าเขาด่าเอามาเป็นคําด่ากันนะ แช่งกันแต่พวกนักปฏิวัติทําจะชอบมีความหมายที่ลึกซึ้งเพราะคนเราทุกเนี่ยก็เพราะความเกิดไม่ว่าจะเกิดไปอะไรก็ทุกหมดอ่ะเพราะโลกเราเนี่ยตั้งอยู่ใต้กฎนิ จ, จังทุกขังหน้าตาไม่ได้เป็นไปตามใจเราพอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจหรือไม่ก็ไม่ได้ตามใจปัฏนาคือไม่ได้อยู่ยใต้การควบคุมของเรา เดี๋ยวก็แดดร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวฝนก็ตกบางครั้งฝนก็แรงบางครั้งก็โดนสัตว์รบกวนก็มีเช่นยุงมดมแมลงต่างๆเผื่อก็โดนคนเบียดเบียนโดยภัภภภยธรรมชาติบางครั้งก็ไฟไหม้บ้างน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเกิดขึ้นสึนามิชีวิตคนเราจะเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยไม่มีหลักประกันบางคนเรียนสูง เพื่อจะได้มีงานดีๆทำจบประมาตายก็มีสิ่งที่เป็นที่พึ่งเราได้ก็คือสติข้างนอกในพึ่งไม่ได้สติจะเป็นที่พึ่งของเราถึงถึงเวลาตายก็ยังพึ่งได้ถ้าคนไม่มีสติเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาท ย, ยังครูที่ผูหลงเนี่ยอายุประมาณห้าหปีก็มีครอบครัวและมีฐานะที่ร่ารวยแต่แกก็เป็นเบาหวาน ล้วก็ชอบกินเหล้าวันที่เกิดเหตุเขากินเหล้ามากจนน้ำตาลขึ้นจนขาดสติหมดสติหรือช็อกรถจึงพุ่งชนต้นไม้ทำให้เสียชีวิตอันนี้ก็ตายด้วยฝ่อประบาดตายก่อนแวนควรฟาร์มเศร้าโศกมาให้ญาติพี่น้องจากการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็กลายเป็นจัดงานศพแทนยังพรโยมก็ชอบไอ้ที่ได้แต่ที่ ละจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนิมนต์อาจารย์เซนมาที่บ้านเพื่อมาเขียนข้อความเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอาจารย์เซนก็รับปากไปเขียนให้พอเขียนเสร็จเศรษฐีอ่านรู้สึกโกรธอาจารย์มากเพราะในข้อความที่เขียนเนี่ยอาจารย์เขียนไว้สคําคือพ่อตาย ลูกตายและหลานตายเศรษฐีบอกว่าเป็นพรที่ให้แบบอับปมงคลเขาต้องการให้อาจารย์เนี่ยเขียนให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองแต่อาจารย์มาเขียนพ่อตายลูกตายหลานตายเขียนเรื่องนี้ได้ยังไงคือว่าอาจารย์เนี่ยไม่ควรมาล้อเล่นแบบนี้แบบล้อเล่นแบบรุนแรงอาจารย์เสียนก็ที่บายให้ฟังว่าอาตมาไม่ได้ล้อเล่น พพอดีให้เนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งพอตายลูกตายหลานตายถ้าเกิดโยมลูกตายก่อนโยมเนี่ยโยมต้องไปจัดงานศพของลูกเนี่ยโยมก็ต้องทุกข์และเสียใจหรือเกิดหลานโยมตา ย, โ ย, โ, ยโยมได้ลูกเนี่ยก็ต้องไปงานศพก็ต้องเสียใจทั้งสองคนแต่ถ้าเกิดตายตามอายุพ่อที่แก่แล้วพ่อแม่แก่แล้วก็ตายตามอายุเนี่ยความทุกข์ก็น้อยลงที่ตายตามธรรมชาติ เพราะส่วนมากคนเราถ้าตายก่อนคือตายด้วยอุบัติเหตุบ้างตายด้วยเจ็บไข้บ้างป่วยตายไม่ตายตายผิดปกติฉะนั้นเราจึงหาครอบครัวที่ตายแบบปกติยากครอบครัวที่ตายตามอายุปู่ตายพ่อตายลูกตายหลานตายหายากอันนี้เป็นมงคลแต่เราก็ไม่สามารถกําหนดได้เหมื่อไงเพราะแต่ละคนก็ต้องไปเป็นตายเป็นธรมชาติกรรมคนที่เรารู้จักก็ตายไปหลายคนแล้วบางคนก็ตายตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนวัยควรบางคนก็ตายตอนแก่ บางคนก็ป่วยตายทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดคนรู้จักกันะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตถ้ามีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เป็นยสานก็พูดเรื่อง Nobody กับ Somebody ซึ่งโดยทั่วไปคนในโลกเนี่ยอยากเป็นซ o m e b ดี y กัน s ั m บอดีก็คือความมีตัวตนประสบความสำเร็จในชีวิตบระคนก็ไฝ่ฝันอยากมีชื่อเสียงให้คนอำนาจถือตาอยากรวยอยากมีอานาจหรืออยากเป็นอะไรต่าง เขายกย่องสารเสริญแต่โนบะดี้ถ้าความหมายของหลวงพ่อมเขียนก็คือไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้ากระชักชวนทุกคนเป็นโนบะดี้ดีกว่าเพราะเป็นโนบะดี้เนี่ยไม่ทุกแต่ถ้าเป็นซัมบะดี้จะทุกเพราะเป็นแล้วต้องรักษาคนเราลองเป็นอะไรแล้วเราต้องทุกหมดอ่ะเพราะคนเราเป็นไปตามสมมุติเดี๋ยวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนรับเหตุการณ์ แต่ละคนก็สวมหัวโขนกันคนละหลายใบยอยู่แล้วพอเราเจออาจารย์เราก็เป็นนักเรียนเจอพี่เราก็เป็นน้องเจอพ่อเราก็เป็นลูกแต่ละคนต้องเล่นตามบททุกวันแต่ละคลายยึดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะก็เหมือนกับการแบกมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีครูคนหนึ่งสอนหนังสือที่แถวแถวัดสเกตครูคนที่เครียดมากหาทางออกชีวิตไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งแกก็คืมใจขึ้นไป บนภูเขาทองซึ่งอยู่ไกล้บนภูเขาทองเนี่ยจะจะสูงพอขึ้นไปปุ๊บพอมองตึกลาบ้านช่องมองท้องฟ้าก็จะโ ล, งลง่งโปร่งครูคนนี้มองไปข้างหนไะกลๆความเครียดก็หายไปเพราะการมองไกลๆสาว่าปลดปล่อยคว า, ามทุกข์ได้แกก็ติดใจแกกขึ้นมาวันหนึงสองครั้งทุกครั้งที่แกเครียดแกก็นึกถึงภูเขาทองขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นเรื่องปกติปีดึงสรุปแล้ว ครูคนนี้ขึ้นผูวทองเนี่ยเป็นพันๆครั้งเลยเพราะวันถ้าสามสี่ครั้งในเดือนนึงมี3ามรหกห้าวัน<ม>ก็ตกไปพันๆครั้งอยู่ว่าวันหนึ่งมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เพราะนักข่าวรู้จักเจ้าหน้าที่ที่ผัวทองก็มีครูคนนี้ขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วก็นักข่าวก็นําเรื่องราวของครูคนเนี้ไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็เกิดดังขึ้นมาดังขึ้นมาปุ๊บโทท้ายก็เชิญออกไปออกแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย เขาตั้งรางวัลให้ว่าเป็นนักขึ้นผัวทองจากเดิมครูคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอะไรแค่ขึ้นผขอทองเล่นๆพอตอนนี้ถูกตั้งให้เป็นนักขึ้นผขอทองแกก็มีความสุขนะเป็นนักขึ้นผขอทองหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนอยากเป็นนักขึ้นผัวทองบ้างเพื่อลบสิติของแกที่ขึ้นเป็นพันๆครั้งบางคนได้ขึ้นเป็น่สิบครั้งเลยเพื่อจะลบสิถีแกได้พอครูคนนี้ทราบข่าว ก็เริ่มทุกข์แล้วเดี๋ย ว, ยวฟาร์มเป็นนักขึ้นผัวทองจะต้องถูกทําลายแกก็ต้องขึ้นผัวทองทุกวันวันหลายรอบทั้งทีงานก็ยุ่งอันนี้คื อ, คอผลของการแบกยู่ตัวตนเพราะสิ่งใดที่เราต้องปกปักรักษาสิ่งนั้นต้องทุกข์หมดอะอย่างวัดเราก็เหมือนกันอย่างถ้าใครทำงานแล้วไม่ยอมปล่อยวางเราเป็นอาจารย์กรรมฐานต้องเป็นตลอดชีวิต จนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องทุกข์ไม่มีใครสามารถยึดครองอำนาจอะไรได้นา น, านหรอกมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าใครคิดยึดหน้าที่ตําแหน่งการงานท้องไปของเราคนอื่นมาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทุกข์แน่นอนเพราะงานทุกอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถยึดใภาระของเราได้ตลอดมันอยู่ใต้กฎตายักณในโลกธรรมเนี่ยมีลาบก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเส ร, เสริอมมีดินทาอันนี้ต้องประสบทุกคน ถ้าใครคิดยึดหน้าที่การงานหรือตําแหน่งเนี่ยมีปัญหาหมดอ่ะเพราะเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมไปอย่างนายกมีอํานาจแค่ไหนก็ต้องเปลี่ยนประธานธิบดีก็เหมือนกันเจ้าวาดก็เหมือนกันไม่มีใครรักษาไว้ได้ถึงเวลาก็ต้องไปบางคนไม่เปลี่ยนตายไปก็มีอันมาเห็นมาหลายหลายที่แล้วบางคนก็แย่งกันไปเจ้าวาดพอถึงเวลาก็ได้เป็นจริงๆแต่ว่าเป็นไม่นานก็ตายคนอื่นก็เป็นแทน แล้วก็สลับเป็ น, ปนแบบนี้หรือหน้าที่การงานก็เหมือนกันไม่มีใครครอบครองได้ตลอดทั้ทางโลกจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องของครูผัวทองเนี่ยถ้าเรามาตองดูให้ดีแล้วก็คล้ายกับชีวิตประจำวันของทุกคนถ้าเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดมีตัวกูของกูเราก็ต้องแบกต้องป้องกันการสูญเสียกลัวคนจะมาแย่งตาแหน่งเรากลัวคนจะมาเก่งกว่าเราก็ทาให้ชีวิตเนี่ยต้องลาบาก แต่ถ้าทำอะไรโดยไม่ยึดถือตัวเราของเราชีวิตเราก็ไม่ทุกข์ไม่เป็นภาระจะไปสานกับผู้ธรรมะอีกหลายเรื่องแล้วก็ความตายความตายความตายที่บูหลงเนี่ยก็สอนสัจธรร ม, ม, มได้ดีเพราะว่าเอาศพมาเผากลางแจ้งเผาแบบธรรมชาติธรรมชาติอนมาก็มีโอกาสได้ดูศพตอนพวกญาติโยงกลับไปหมดแล้วอ่ะ ประมาณทุ่มกว่าเราไปดูไฟก็ไหม้กะโหลกไฟยังลุกอยู่ยังเผาศพไม่หมดก็ยังเห็นซากซากครูที่เสียชีวิตเนี่ยชัดเจนยังถ่ายรูปมาเยอะแยะชีวิตคนเราก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้อยู่5อย่างคืออายุความเจ็บ่ายได้ป่วยอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็เวลาที่จะตายสถานที่จะไป ตายแล้วไม่รู้จะไปไหนอันนี้เรากำหนดไม่ได้เลยสีที่ทำได้คือไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือเราต้องหมั่นทำความดีให้ทานรักษาศีลจเจริญสติทำความดีมากๆเพื่อเป็นเ บ, บีย้ยงเป็นทุนเพราะถ้าเราไม่ทำความดีเราอาจจะไปทุกขติก็ได้ตอนตายแล้วสิ่งใดที่เราทำํำบ่อยๆสิ่งนั้นก็เป็นกรรมเป็นเวรเป็นนิสัยเพราะนิสัยคนเราอนบาสังเกต น, นะเป็นสิ่งี่เราสร้างเองท้งนั้นเลย แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยบางคนคิดว่านิสัยเราเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ไม่จริงแต่คนที่เปลี่ยนได้จะต้องมีกระยำมิตรที่ดีมีคนชี้แนะมีคนบอกบางทีเราก็ไม่เห็นนิสัยเราเองเหมือนกันเพราะคนเราดนพื้นฐานเนี่ยจะมีความโลภความโกรธความหลงเป็นพื้นอยู่แล้วบางครั้งก็ขี้ฉาเปรียบเทียบแล้วก็ยกตนข่มท่านมีหลายอย่างที่เราไม่รู้ตัวนั่นคนเราจึงเรียนธรรมะ ย, ยากเพราะกิกเลสเดี๋ยวจะปกป้องอัตตาตัวเองใครว่าอะไรเราก็เราก็เกถียงละใครมาชี้อะไร คนเราจึงสอนยากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนเราเนี่ยจะมีคนจะสอนยากบอกยากบางคนก็มีกรรมมากเพื่อนไม่เพื่อนไม่ยอมบอกเลยว่าเราผิดอะไรต้องแก้ไขยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตแต่บางคนโชคดีเป็นคนที่อัตราน้อยเวลาทําผิดเพื่อนก็บอกอันนั้นสามารถปรับปรุงได้หรือไม่เราก็เห็นเองว่าเราทําสิ่งนี้เราต้องทุกข์เราก็เบียดบียคนอื่นให้ทุกข์แต่เราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับปรุง ตัวเองด้วยถ้าเราไม่พร้อมไม่ต้องการปรับปรูมันก็เป็นตลอดชีวิตเลยคนเราจึงพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงกรรมด้วยการพืงการการะทําถ้าคนเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เปลี่ยนไปตามยาถากรรมอย่างที่พวกเรามาเจริญสติสร้า ง, งความรู้สึกตัวเนี่ยก็เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองทำให้รู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็รู้จักคนอื่นเข้าใจคนอื่นพอเราเข้าใจคนอื่นปุ๊บเราก็สามารถอยู่กันได้แบบกลมกลืนไม่ขัดแย้ง สังคมทุกวันนี้ที่คนเราขัดแย้งกันบาครังทะเลาะกันข้านตายเพราะเพราะไม่เข้าใจกันแค่ขับรถบีบแกบางทีก็ลงเอาปืนมายิงกันละหรือไม่เดินเหยียบตีนก็ข้ากันแล้วลเพราะว่าคนเราจะมีอัตราอยู่ชิดนหนึ่งรู้สึกถูกล่วงเกินเราจึงเห็นข่าวฆ่าทุกวันบางครั้งเมียฆ่าผัวก็มีผัวฆ่าเมียก็มีตามหนังสือพิมพ์วันแล้ววันเล่าที่มีข่าวแบบเนี้ แต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่ไม่ทําไม่บีบเบียนตัวเองและบีบเป็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเป็นกรรมที่ต้องชดใช้เป็นกรรมีจริงถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะรู้เลยใครทําอะไรไว้บ่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นตอบสนองเราแน่เราทําความดีความดีก็ตอบสนองเราเราทําไม่ดีกรรมไม่ดีก็ตอบสนองเราเป็นกันอย่างแรกก็ทำให้คนเกลียดชังเราไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยเข้าใกล้ใครเขาก็รู้สึกว่าร้อนแต่ถ้าเราทําความดี มีเมตต า, ขาเขาใกล้ใครก็อยากคุยด้วยเขาใกล้อบอุ่นไม่เป็นพิษเป็นไทยอย่างหลบพ่อมเขียนเขาใกล้ใครก็เย็นเขาใกล้ใครก็มีความสุขแต่ถ้าบางคนร้อนเขาใกล้ใครก็ร้อนหมดอะร้อนพูดผิดหูนิดเดิก็โกรธอะไรก็คิดว่ า, วาตัวเองอันนี้ก็มีเยอะ ท, ที่เป็นแบบนี้ที่ผู้หลงก็ยังมีหลายสิง่งสิ่งดีๆอย่างเช่นมีหมาขี้ประจบอย่างเจ้าลุกดิก๊กเจ้าหนวด เลขตัวก็คือหูตั้งเจ้าดุกดุด๊กนี้กับเจ้าหนวดเนี่ยจะประจบมากเลยแขกแขกไปใครมาเนี่ยจะเข้ า, าประกบบางทีกระโดดเกาะคือเข้ า, เาใจเก่งแล้วขออาหารแล้วก็มีแมวอยู่2ตัวคือเจ้าแพนด้าแล้วเจ้าทองเจ้าแพนด้านี้ก็สามารถอยู่กับหมาได้โดยที่ไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ก็มีลิงอนาพานมาคอยขบมยเข้าของอยู่บ่อยๆที่ปูหลงเนี่ยลิงจึงเป็นตัวโกง แต่ก็สร้างสีสันนะเพราะเพราะว่าลิงเนี่ยทำให้คนในนั้นไม่ประมาทจะต้องป้องกันถ้าลืมวักลืมพั่วของกินหรือกล่องนมไว้ลิงก็จะขโมยไปหมดเลยทําให้ต้องระวังป้องกันให้ลิงมาขโมยแล้วการบินเบารบินเบาต์ที่นู่นก็สร้างสร้างรสชาติให้ชีวิตเหมือนกันคือเดินบินเบาต์ต้อง8กิโลไปกับ8กิโลนี่ก็เดินเกือบ2ชั่วโมงทําให้เราได้สัมผัสบรรยากาศดีๆยามเช้าสัมผัสผู้คน ที่รุ่นชาวบ้านก็ใส่บาทกันดีสเสน่ห์ของที่นู่นก็มีทั้งเด็กมาใส่บาทแล้วก็มีพวกหมาหมามาเวลาพระมาบิณฑบาตหมาจะมาขออาหารจะมาเกาะหน้าเกาะหลังมาเล่นด้วยซึ่งบรรยากาศอย่างนี้หายากในเมืองก็มีเฉพะที่ภูหลงแนะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีทำให้เราติดต่อโลกภายนอกไม่ได้แต่ก็ไม่ถึงก็ไม่มีเลยนะถ้าถ้าจะมีสัญญาต้องขึ้นไปบนเขา ที่ถุงสูงทำให้เราเนี่ยใช้เน็ตใช้โทรศัพท์น้อยลงจะใช้เฉพาะเ ม, มื่อจาเป็นเท่านั้นอย่างเมื่อปีใหม่เนี่ยมาถ่ายภาพจากที่สวยหลายภาพจะอัพลงเฟซบ o ๊กทาไม่ได้เลยต้องรอไปที่สองขึ้นไปขึ้ น, นที่ขึ้นที่ผ่ากระแสถึงสามารถอัพได้อ น, นี้ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่หายากเพราะเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็มีขึ้นโทรศัพท์เหมือนกันแต่มีที่ภูหลงเนี่ยลำบากพอเราเข้าไปเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ชีวิตเราก็ว่างมากขึ้น ออกมาเห็นได้เลยว่าถ้าอยู่ภูหลวงเนี่ยว่างมากสุก็โตเยอะเพราะว่างานขอแต่มาเนี่ยเกี่ยวเรื่องเน็ตพอมาสุข็โตก็เลยไม่ว่างเลยอยู่ภูหลวงเนี่ยว่างว่างทั้งวันจึงนําเรื่องภูหลวงมาเล่าญาติโยมฟังเพราะว่าปรจชากรอย่างนั้นหายากด้านมาก็ไม่ได้ไปมาหลายปีก็ได้เห็นชีวิตขออาจ า, ารย์ไพศาลอีกมุมมองหนึ่งอาจ า, ารย์ไพศาลเป็นคนใช้ชีวิตง่ายๆอย่างไปส่วนมลเนี่ยท่านก็ต้อปรับตัวเข้ากับคนอื่น เพราะว่าเจ้าภาพนิมนตมาทั้งหลายวัดสามสี่วัดสวดไปแล้วตีกันเพราะว่าเสียงคนรรมนองท่านก็ไม่ทุกแต่ละมากระทุกเป็นการเพราะละมาเนี่ยติดภาพอยากสวดให้ดีตั้งใจซ้อมอยา่าคํานึงถึงชื่อเสียงแต่อาจารย์ท่านไม่ค่อยคํานึงตัวนี้เท่าไหร่อารมณ์ตฝึกแบบอาจารย์เาายวลาเราทํางานเราหวังชื่อเสียงมากอยากทําให้ดีบางครั้งเราก็อาจจะผิดหวังได้เพราะาสิ่งต่างเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราจะ ท, ที่เราหวังเลย เหตุการณ์ต่างๆพ า, าที่เราซ้อมถ้าเป็นถ้าตายคนอื่นมาทำร่มก็มีอาจารย์ท่านบอกอยู่เสมอว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สาคัญสําคัญที่ว่าเราระวังใจให้เป็นเพราะที่นู่นชาวบ้านจัด ก, การเองหมดเลยงานศพอาจารย์ไปสารแทบไม่ได้ยุ่งเลยแถมวันงานเผาเนี่ยพรกที่อื่นก็เป็นประธานอาจารย์ไปสารก็ไม่ได้เป็นประธานเขาชาวบ้านนิมนต์พักครูจากที่อื่นมาเป็นสามากกว่าอาจารย์อาจารย์ก็ปล่อยไม่ได้ทุกอะไรซึ่งเป็นวัดอื่นเดีเจ้าว่ลวาลราจัดระเบียบเอง แต่ที่ปูหลงไม่ใช่อาจจะไปสารไ ม, ไม่ยึดกฎเกยร์อะไรต่างๆปรับตัวเข้าสถานการณ์ได้ท่านก็นเลยไม่ค่อยทุกอันนี้เราสามารถเอามาเป็นแบบอย่างได้อเห็นว่าพูดมาก็สมควรเกิดเวลาก็ขอให้ญาตโยมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไป